ผานามสยามยุทธภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระหลพนพลนิกายเป็นมหายุโยธาทัพใหญ่ไปกระทําศึกสงครามกับนักองจันร์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีขมรไม่ต่อสู้ไทยนักองจันร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบ ก, กับไทยไทยได้รบ ก, กับยวน และยวนได้กระทามหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านานประมาณถึงส4สปีเศษมีข้อความพิสดารวิรฐานในการศึกไท ย, ยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานาสยามยุทธภาคที่สองตอนที่18พระยานครสวรรค์ แตกสามคัคคีทหารไทยตายทั้งกองทัพฝ่ายพระยานครสวรรค์นายทัพปีกหนึ่งขุมพรไพรพลทหารพันหนึ่งเข้าในกองทัพไปกับเจ้าพระยานครราชสีมาด้วยแต่พระยานครสวรรค์ไม่สามัคคีรมกับเจ้าพระยานครราชสีมาขณะปรึกษาว่า จะทําแพรข้ามแม่น้าโขงนั้นพระยานครสวรรค์ไม่เห็นด้วยจึงพูดว่าถ้าจะทําแพรกว่าจะเสร็จแล้วก็หลายวันกลัวยวนจะตามมาทันเข้าจึงไม่ยอมช่วยทําแพรข้ามน้ําแต่จะขอเดินไปข้ามที่ท่าข้ามหน้าเมืองลาวเห็นจะเร็วกว่าทําแพรคอยข้ามที่นี่พระยาพระ หลวงนายทัพนายกองช่วยกันพูดจาว่ากล่าวโน้มน้าวให้พระยานครสวรรค์ช่วยกันทําแพข้ามที่นี่เป็นหลายครั้งหลายหนพระยานครสวรรค์ก็ไม่ยอมอยู่ช่วยทําแพพูดแต่ว่าจะไปข้ามที่ท่าหน้าเมืองลาวฝ่ายเดียวเจ้าพระยานครราชสีมาเห็นพระยานครสวรรค์แตกสามขีด ไม่สมัครเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแล้วจึงได้อนุญาตเป็นคำกลางๆว่าท่านเห็นทางไหนจะเร็วก็ตามแต่ใจท่านจะข้ามที่นั่นเถิดเมื่อพระยานครสวรรค์ได้โอกาสอนุญาตแม่ทัพใหญ่ดังนั้นแล้วจึงพาไพร่พลหนึ่งพันซึ่งเป็นกองทัพของตนรีบเดินทัพไปแต่ทัพเดียวเดินเลียบฝั่งแม่น้าโขงไปหมายใจว่า จะไปข้ามที่ท่าหน้าเมืองลาวแต่ยังหาทันจะถึงท่าข้ามไม่พอกองทัพยวนข้ามตะวันออกยกตามมาทันทัพพระยานครสวรรค์ได้สู้รบกับยวนที่หาดทรายในฝั่งแม่น้ำโขงแต่กองทัพยวนตั้งอยู่บนตลิ่งสูงยวนนำปืนใหญ่น้อยยิงกระดมลงไปถูกไพรพลทหารไทยตายมากเพราะหาดทรายไม่มีที่จะหลบปลีกปังกระสุนปืนยวนได้ ฝ่ายไทยก็ยิงปืนขึ้นไปบ้างหาถูกไพ่พลยวนไม่เพราะบนตะลิ่งมีต้นไม้บังได้มากยวนจึงแบ่งกองทัพเป็นสองพวกพวกหนึ่งตั้งอยู่บนริมตะลิง่งแอบต้นไม้ใหญ่ยิงปรำพวกไทยสองพักสามพักกองทัพไทยจะตั้งรับอยู่ริมตะลิง่งไม่ได้ก็วิ่งล่าถอยลงมาชายหาดทรายทั้งสิน้นยวนอีกพวกหนึ่งก็ยกลงไปตั้งที่หลังหาดทรายจัดปืนคาบศิลา ยิงกระดมลงไปดังหาผลสองทัพไทยทนไม่ได้ก็ตแตกหนีลงในลำแม่น้ำโขงทั้งสิน้นที่นั่นน้ำไม่สู้จะลึกนักพอช้างเดินข้ามได้น้ำท่วมหลังปริมๆิมขณะนั้นยวนนำทัพช้างลงที่หาดทรายใส่ช้างให้ลงลุยไล่ไทยในน้ำเป็นอลหมานญวนจุดปืนหลังช้างยิงไปถูกไทยตายมากกว่ามากและยวน ถือหอกดาบไล่ปันแทงไทยตายก็มากยวนบางพวกพาช้างไล่เหยียบย่ำด้วยเท้าช้างช้างบางเชือกยกงวงฟาดงาแทงไทยเป็นอลหมานทหารยวนฆ่ากองทัพไทยไร่ผลตาย 1,000 คนไม่เหลือกลับมาเลยแมแ้แต่คนเดียวกับพระยาพระหลวงขุนหมืน่นมีชื่อตายหมดครั้งนั้นห0สิบคนฝ่ายยวน เก็บเครื่องสัตาวุธปืนใหญ่น้อยสัพพาวุธสั้นต่างๆของไทยไปได้สิน้นช้างมา้าโกต่างกระบือเวียนของไทยนั้นโยนเก็บไปได้ทั้งหมดถังเสื้อกางเกงไพรพลที่เป็นเครื่องแต่งกายกองทัพซึ่งเป็นของหลวงหยนก็แก้ออกจากศพไทยไปหมดถงตะขาบทงมังกรถงเลขยันสำหรับทัพนั้นโยนเก็บรวบรวมไปได้ทั้งสิน้น ครั้งนั้นศพไทยไพ่พลและนายทัพนายกองลอยเต็มแม่น้ําโขงกระแสสายน้ําไหลพัดพาศพไทยมาถึงที่ท่าข้ามฝั่งแม่น้ําโขงเมืองบาพนุมซึ่งเจ้าพระยานครราชสีมาข้ามปากมาพักอยู่นั้นฝ่ายเจ้าพระยานครราชสีมาแม่ทัพใหญ่เห็นศพไทยนายไพย่ก็จําได้แล้วเข้าใจว่ากองทัพพระยานครสวรรค์เสียแก่ข่าศึกยวนแล้วเป็นแน่ จึงสั่งหลวงพิทักษโยธากับหลวงเพ่งให้เรียบขึ้นม้าเร็วคุมทหารม้าห้าสิบเดินเลียบฝั่งแม่น้ำโขงไปสืบราชการทัพพญะานครสวรรค์ดูให้รู้เหตุการณ์สั่งหลวงรามนรงกับหลวงพิทักษคามมเขตนายด่านเมืองจันทึกให้เร่งขึ้นมา้าคุมไพรพลสองร้อยคนม้าห้าสิบให้ยกไปสืบราชการทัพพระยานครสวรรค์แต่ให้เดินทัพลัดป่าไปยังฝั่งแม่น้ำโขงท่าดินแดง ฝังกิติศัพท์ทัพยวนดูก่อนถ้าเห็นหนักเบาประการใดให้ใช้ม้าเร็วมาบอกจะได้แต่งทัพเพิ่มเติมไปช่วยอีกทัพหนึ่งครั้งนั้นทัพทั้งสองไปหาพบทัพยวนใหม่ด้วยยวนฆ่ากองทัพพระยานครสวรรค์แล้วก็ยกขึ้นไปทางเหนือเพื่อจะตามตีทัพพระยามนเทียนบานกองทัพวังหน้าอีกต่อไปกองสืบทั้งสองพบศพรอยน้ําอยู่สิบเก้าศพคือ พระยานครสวรรค์หนึ่งพระยาพิจิตรหนึ่งพระปลัดเมืองอุทัยธานีหนึ่งพระปัลัดเมืองตากหนึ่งพระสิงห์บุรีหนึ่งพระสันบุรีหนึ่งพระบัวชุมชัยบาดาลหนึ่งพระปลัดพระยกกะบัดเมืองนครสวรรค์สองหลวงผู้ช่วยเมืองนครสวรรค์หนึ่งหลวงมหาไทยเมืองนครสวรรค์หนึ่งหลวงสุภาตราเมืองนครสวรรค์หนึ่ง พระพิมายหนึ่งพระนางรองหนึ่งพระยาเพชรปานีหนึ่งพระเทพพลูหนึ่งหลวงวิเศษธานีหนึ่งหลวงงามเมืองหนึ่งหลวงพัสดีกลางหนึ่งรวมสิบเก้าศพแต่ผู้ใหญ่ที่รู้จักจำหน้าได้สิบเก้าคนแต่ศพไทยไพรานายครั้งนั้นลอยน้ำอยู่แต่กายเปล่าหาเสื้อผ้าไม่ได้เพราะพวกยวนแก้ผ้าถอดเสื้อไปเสียหมด ทั้งอาวุธด้วยครั้งนั้นกองสืบจึงตัดศีษะนําศพนายทัพไทยทั้งสบิบเก้าศพมาให้เจ้าพระยานครราชสีมาดูเจ้าพระยานครราชสีมาดูแล้วจึงรู้แน่ว่าแม่ทัพนายกองตายหมดแล้วกับไพรพลพันหนึ่งก็ตายสิ้นเพราะยวนฆ่าเสียเห็นยวนจะยกทัพใหญ่ตามเรามาเป็นสองทางสามทางเป็นแน่เจ้าพระยานครราชสีมาจึงสั่งนายทัพนายกอง ให้คุมไพร์ไปตัดไม้มาตั้งค่ายรับยวนได้ตั้งค่ายใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่ผลตลิงเข้าไปห่างท่าน้ำไกลขึ้นไปบนดอนพอผลกำลังทางปืนทับเรือยวนตั้งค่ายครั้งนี้ด้วยไม้ไผ่กับไม้แก่นปนกันด้านยาวสิบห้าเส้นด้านกว้างแปดเส้นมีป้อมแปดป้อมหอรบสี่หอแล้วปลูกโรงสารายใหญ่ในค่ายเป็นที่พักสองหลังแปด และตั้งค่ายปีกาอีกสองค่ายแล้วตั้งค่ายละเมอะริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ท่าข้ามอีกค่ายหนึ่งเป็นค่ายเล็กๆเพื่อจะรักษาต้นทางน้ำที่ทัพเรือยวนจะมาที่ท่าข้ามนั้นด้วยฝ่ายกองทัพวังหน้าซึ่งเป็นแม่ทัพอีกหนึ่งของทัพเจ้าพระยานครราชสีมาพระยามเทียนบานเป็นแม่ทัพใหญ่ได้บังคับบัญชาพระยาพระหลวง นายทัพนายกองฝ่ายพระราชวังบวรทั้งสิน้นครั้งนั้นพระยาราชโยธาเป็นแม่ทัพหน้าของมนเทียนบานฝ่ายกองทัพวังหน้าเดินทัพข้ามแม่น้ำโขงไปก่อนทัพเจ้าพระยาคนครราชสีมาจึงเดินทัพเปลวขึ้นไปถึงที่ตําบลหนึ่งในกลางทางป่าพวกขมรนําทางเรียกชื่อตำบล น, นั้นว่าจันเลาะขาจงจันลองตึกใหม่กระเดยพนมเขียว แปลเป็นภาษาไทยว่าห้วยหอยโขงเป็นลำธาร น, น้ำไหลมาแต่เชิงเขาเขียวเป็นทางใกล้จะถึงเมืองไส้งอนอยู่แล้วครั้งนั้นทัพวังหน้ายกขึ้นไปก็ไม่ได้พบกองทัพยวนมาตั้งค่ายรับตามทางที่ไทยไปนั้นไม่มีเลยสักแห่งหนึ่งจึงเดินทัพเร็วไปได้โดยสะดวกฝ่ายพระยาราชโยธาแม่ทัพกองหน้าแปลกประหลาดใจ ไม่เห็นยวนมาตั้งค่ายรับตามธรรมเนียมศึกจึงสั่งพระอินทาราลักษณ์หนึ่งกับหลวงพิทักษ์สุเทพคุมไพรพลสามร้อยให้เป็นกองเสือป่าแมวเศ่ายกไปสือ่อราชการในแขวงจังหวัดบ้านเมืองยวนให้พระชำนานขจัยสอนขมรเมืองพนมเปนเป็นผู้คุมไพรพลขมิหนึ่งร้อยนำทางไปในแขวงยวนถ้าพบปะครัวยวน ในบ้านในป่าหรือคนเดินไปมาขาขายก็ให้จับมาจะได้ไต่ถามเนื้อความเมืองยวนถ้าพบยวนตั้งรับที่ใดเป็นค่ายใหญ่ก็ให้รีบกลับมาแจ้งราชการโดยเร็วถ้าพบกองทัพไทยกองหนึ่งกองใดก็ให้แจ้งความแล้วถามความมาให้รู้โดยละเอียดฝ่ายพระอินทราลักษ์หลวงพิทักษ์สุเทพก็ไปสืบราชการแล้วกลับมาแจ้งความว่า ได้ยกขึ้นไปตรวจตามบ้านเล็กเมือง น, น้อยทางในป่าดงถึงสี่คืนจนถึงตำบลหนึ่งขเมนนำทางเรียกชื่อว่ากำพงกระบือมัจจรังทะเรตรวจแปลเป็นภาษาไทยว่าบ้านท่าควายริมแม่น้ำน้อยฐานจะไปเมืองไส่งนตั้งแต่ยกไปทางถึงสี่คืนไม่ได้พบป่าผู้คนเลยแต่สักคนหนึ่ง เห็นแต่เรือนร้างเปล่าอยู่ทุกบ้านฉันแต่ยุ้งฉางข้าวก็เปล่าไม่มีข้าวทุกยุง้งพวกยวนผล น, นําไปหมดทุกยุ้งตลอดทุกบ้านตามทางขึ้นไปนั้นทั้งสี่คืนฉันแต่ต้นพริกต้นมะเขือต้นกล้วยต้นอ้อยยวนก็ตัดผลไปด้วยทุกต้นเห็นตอกกล้วยอ้ อ, อยพริกมะเขือเหี่ยวแห้งบ้างผุเน่าบ้างก็มี ฝ่ายพระยาราชโยธาได้ทราบดังนั้นแล้วจึงว่าชะรอยพวกยวนจะรู้เหตุก่อนว่ากองทัพไทยยกมาทางนี้มันจึงอพยศเทครัวหลบหนีไปทุกบ้านทุกตำบลก่อนกองทัพไทยยกมาช้านานแล้วจนตอต้นปล้วยอ้อยพริกมะเขือเหี่ยวแห้งดังนี้เห็นทียวนจะไปตั้งรับไทยอยู่ที่เมืองหนึ่งในกลางทางใกล้เมืองไส้งอน ยวนเรียกว่าเมืองว่องโป๋เป็นเมืองหน้าด่านในระยะทางบกพระยาราชโยธาจึงสั่งพระยานรงค์วิชัยหนึ่งพระยาอภัยสงครามหนึ่งให้เป็นนายทัพคุมพลทหารห้าร้อยยกล่วงหน้าไปก่อนให้ไปสืบพับยวนว่าจะตั้งอยู่ที่ใดบ้างถ้าพบกองทัพยวนตามทางพอจะตีได้ก็ให้ตีให้แตกเสียทีเดียวเถิด ถ้าเห็นกำลังยวนมากแข็งแรงไทยจะตีมันไม่แตกแล้วก็ให้ตั้งมั่นรับรองไว้ก่อนแล้วให้คนมาเร็วมาใช้รีบมาแจ้งข้อรั ก, การหนักเบาโดยเร็วจะได้ยกทัพให้รีบไปช่วยให้ทันท่วงทีฝ่ายกองทัพพระยานรงวิชัยและพระยาอภัยสงครามยกไปถึงที่ตำบลหนึ่งเขมีนนำทางเรียกชื่อตำบล น, นั้นว่าพะทธคอยมัจจรังทะเลตัว คิดศรกไข่มุกศึกเฉพาะว่องโป๋แปลเป็นภาษาไทยว่าบ้านด่านใกล้เมืองว่องโป๋คือเมืองด่านหน้าศึกกองทัพไทยถึงที่นั่นเห็นยวนมาตั้งค่ายรายตามฝั่งแม่น้ำน้อยถึงสิบสีค่ายแต่เป็นค่ายเล็กๆ ก, กับห็นยวนผูกแพรไม้ไผ่เทียบอยู่หน้าค่ายหลายสิบแพรแพรนั้นยวนทำเป็นแพรเรื่อง สำหรับจะเป็นแพสะพานให้รีพลช้างมาเดินข้ามแม่น้ำน้อยมาตามตีกองทัพไทยฝ่ายเราเห็นหยวนตั้งค่ายและจัด ก, การเป็นศึกใหญ่ซึ่งกองทัพไทยแต่ห้าร้อยคนจะยกเข้าตีค่ายยวนหรือยวนจะยกมาก็จะรับทับยวนไม่ได้พระยาณรงค์วิชัยและพระยาอภัยสงครามก็ล่าทัพถอยมาตั้งรอดูเชิงศึกที่กลางทางนั้นแล้วจึงสั่งให้ หลวงโยธาบริรักษ์วังหน้าถือหนังสือขึ้นมาเร็วคุมทหารม้าสามติดมา้ารีบเร่งไปแจ้งข้อราชการทัพศึกต่อพระยาราชโยธาพระยาราชโยธาได้ทราบดังนั้นแล้วจึงมีหนังสือตอบไปบังคับให้พระยานรงค์วิชัยและพระยาอภัยสงครามเลิกทัพถอยกลับมาโดยเร็วเมื่อเดินทัพถอยกลับมานั้นให้ตีบ้านเล็กบ้านใหญ่ตามรายทางกวาต้น พาครอบครัวยวนตามบ้านป่าบ้านดงมาด้วยจะได้ไต่ถามข้อความเมืองและข้อราชการทัพศึกฝ่ายยวนบ้างมอบหนังสือตอบให้หลวงโยธีบริลักษ์หวังหน้ากับหลวงปัะจันปัจจามิตรกรมการขมินรีบไปให้พระยาณรงค์วิชัยพระยาณรงค์วิชัยจึงยกพลทหารเดินกองทัพกลับมาทางตะวันออกพระยาอภัยสงครามยกพลทหารเดินทัพกลับมาทางตะวันตก พระยาภัยสงครามเดินอ้อมมาข้ามที่ปลายน้ำหน้อยเป็นที่ตื้นข้ามพลได้สบายขมินนำทางเรียกท่าข้ามตำบนนั้นว่าอันลุงทะมอสะพานจุงทะเลตัวแปลเป็นภาษาไทยว่าแก่งสะพานปลายแม่น้ำหน้อยเดินทับมาบรรจบ ก, กันกับทับพระยานรงค์วิชัยทั้งสองกองนั้นจับได้ครอบครัวยวน ตามบ้านป่ากวาดต้อนพามาทั้งสิ้นทุกตำบลรวมเป็นคนหกสิบหกคนนำมาส่งยังทัพพระยาราชโยธาพระยาราชโยธาสั่งให้ล่ามถามยวนเฉลยเฉลยให้การหาต้องคำกันไม่พระยาราชโยธาจึงสั่งให้ทหารพ่ายวนที่ชะกันจำคาเคี่ยนห้าทีถามได้เนื้อความเป็นสัตว์คำต้องกันว่า ได้ทราบข่าวมาแต่พวกพ้องที่ถูกเกณฑ์ไปทับกลับมาบอกว่าแม่ทับยวนที่มาตั้งค่าย14ค่ายอยู่ณนะฝั่งแม่น้ำน้อยนั้นแม่ทับใหญ่ชื่อองค์เตอแม่ทับรองคือปรลัดทับชื่อองค์เดียโดยเป็นเชื้อพระญาาพระวงพระเจ้าเวียดนามแม่ทับทั้งสองนั้นคุมไพรพล 8,000 คน 8, มาตั้งทัพใหญ่อยู่ที่ค่ายฝั่งแม่น้ำน้อยกำลังจัด ก, กองทัพจะให้องค์ยวนเป็นแม่ทัพนายกองคุมพลทหารยกข้ามแม่น้ำน้อยมาทางแพรที่ผูกไว้นั้นจะให้ยกมาตามตีกองทัพไทยที่ยกมาแต่ฝั่งแม่น้ำโขงแล้วอง์เตอร์แม่ทัพให้องค์เดโดยเป็นแม่ทัพให้องค์กายโดยเป็นประลัดทัพคุมไถพลสี่พันยกทัพอ้อมปากไปคอยสกัดตีทัพไทย อยู่ณฝั่งแม่น้ำโขงต้นทางที่กองทัพไทยขึ้นมานั้นแล้วทราบว่ากองทัพยวนยกไปตีกองทัพไทยแต่ไปหมดทั้งทางบกและทางเรือแล้วทราบว่ากองทัพไทยซึ่งเป็นกองทัพใหญ่ยกมาทางบกด้านตะวันออกแต่ก่อนเมื่อต้นเดือนห้าต่อกับเดือนสี่นั้นก็เลิกล่าถอยทัพกลับไปเมืองขเมียนหมดแล้ว อ่านามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่18บปรายานครสวรรค์แตกสามคัคคีทหารไทยตายทั้งกองทัพกำลังเข้มข้นขึ้นทุกขณะโปรดติดตามตอน ต, ต่อไป